มันพอเลยเวลาแล้วมันหลวันไหลคืนผ่านมาแล้วเราก็เลิกนะ่ะจะมันนั่งง่วงนั่งเหงาอยู่มันเล้วพอมีเป้าหมายแนละ้วปฏิบัติเพื่ออะไรอาทิตย์นี้ต้องได้แบบนั้นเดือนนั้นต้องได้แบบนี้นี่อะไรนี่นี่มันก็บ่งบอกว่าเ อ, อเราเก็บอารมณ์เราปฏิบัติ ท, ทําอะไรมาก็ไม่ค่อยได้ไประโยชน์อะไรนี่เพราะเราไม่ค่อยได้เอามาใช้ไง คนไปหาเงินในร่ํารวยมาแล้วเห็นเขาแต่งเนื้อแต่งตัวดีกลับมาอาหารการกินมีไปกรุงเทพเลยซื้อของมาฝากญาติพี่น้องเป็นแถวแสดงว่าคนนี้ร่ํารวยมาไปหาเงินแล้วได้เงินเขารู้สึกว่าภูมิฐานดีปัจจัยสี่มีพร้อมอาหารเสื้อผ้ากลับมาส่งเงินไม้พอให้แม่สร้างบ้านสร้างเรือน สุขภาพก็แข็งแรงมีงานมีเงินมีตังใช้มันก็แสดงออกทางข้างนอกเราดูข้างนอกก็รู้จักแต่ถ้าผอมก็ร่องกระเล่งเสื้อผ้าก็ขาดขาดสร้างความลำบากให้กับตัวเองเอาจากกรุงเทพได้เดินมาถึงบ้านเรายารักษาโกเจีบใครได้ป่วยกลับมาบ้าน มันจะบอกได้ยังไงว่าผู้นี้ไปหาเงินแล้วได้เงินมีความร่ำรวยเพราะสุขภาพร่างกายอะไรเนี่ยไม่ค่อยดีรวมทั้งสร้างความลําบากให้กับตัวเองคือเงินทองมันก็ทําเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายนั่นเองเป็นสเสบียงแต่พอมีสเสบียงแล้วทําอะไรทีเนี่ยเมื่อเราได้ปัจจัยสี่มาแล้วเนี่ย้ข้ามปัจจัยสีนี้ไป ชีวิตก็้ายๆแบบนั้นแหละเราเก็บอารมณ์ด้วยเราปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์หนึ่งมันไปเมืองนอกอน่าจะร่ำรวยกลับมาไดสติได้สตังกลับมาเอาเราปล่อยให้เกิดการต่อสู้เข้าข่ายฝึกซ้อมฝึกเข้มอะไรประมาณนี้นทีนี้มันก็บ่งบอกว่าคนไม่มีคนมีทรัพย์สมบัตินะมีศรัทธาเอาไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาเต็มที่คนไม่มีศีลก็ไปหาศีลให้ได เริ่มสงบขึ้นเนาะเริ่มเรียบร้อยขึ้นนะเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะเริ่มมีฮีรินะรู้จักละอายหมู่พวกข้างๆนะั่งโะอายถึงไม่เขาไม่พูดอะไรก็มีความละอายละอายหมู่คณนะขยับเข้ามาไหนก็ละอายใจตัวเองลอายหมู่คณะนี่เป็นเรื่องข้างนอกนะแต่ละอายใจตัวเองเนี่เป็นเรื่องที่ดี มันเราเคารพใครสักคนเคารพการวะถ้าจะให้ดีเนีน่นะเคารพคารวะใจตัวเองแต่คําว่าใจตัวเองนี่หมายถึงใจที่มันมีธรรมะปรากฏเกิดขึ้นใจที่มีดวงตาเห็นธรร ม, มใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิใจที่สงบสงัด<ม>เราเคารพคารวะใจประเภทนั้นคือข้างนอกแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันไม่สู้กับข้างในเหมือนกันเนอะ เราทำความเพียรเนี่ยบางที ร, รู้ทันทีว่าคนไหนเข้มแข็งไม่เข้มแข็งนะก็คือเหมือนกับอย่างเงี้ะไก่ตัวไหนที่มันตีดีไม่ดีว่าตัวที่เราที่ผ่านมาเราค่นขวายให้อาหารมันอะไรมันดีไหมเนื้อหนังมันดีขึ้นมาไหมมนห ก, กําลังกายดีไหมอาหารเสริมมันดีตรงที่มันตีเก่งนี่แหละเหมือนกันนะเราไม่ชนกับกิเลสเป็นยังไงอะ ถ้าอยู่คนเดียวเอาพอเดินได้อยู่ในที่สาธาระเอาเป็นยังไงทีเนี้ยมันต้องวัดความพัฒนาการของสติสัมปชัญญะอนี้แล้วคนนี้ร่ํารวยมาเอาศรัทธาดีมากสติดีสมาธิดีศรัทธาก็เหมือนได้เงินเนี่ยในเงินก็อยู่ในกระเป๋าในแบงค์ในธนาคารเริ่มมีศินเริ่มมีสินก็เริ่มมารยาทเรียบร้อยเรามองเห็นนมีเงินมีทอง ดูดีมีแหวนเพชรเนี่ยไหมมีเช็คมีดับเลยนะคือเริ่มมีคือลําดับถ้ามีเงินเลยก็ยังแบกเงินไวปก็หนักนะก็จะมีอย่างหนึ่งคนมีเงินบางทีเรามองดูเขามีความสุขนะคือเขาไม่ได้ห่วงอะไรไม่ได้ห่วงอันนั้นเขาไม่ได้ห่วงอันนี้ก็ไม่ได้ห่วงเหมือนกับสะดวกระดับหนึ่งแล้วเขาก็สามารถมองไปข้างหน้าได้เป็นเรื่องจิตวิญญาณแหละที่เนี่ยมันก่อนเรื่องทางกาย เรื่องทองกายก็หาเงินหาทองไปตามเรื่องนะตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรประมาณนี้คือเพื่อเผื่ อ, อ, อ, อสุขภาพร่างกายเก็บใครได้ป่วยอะไรประมาณนี้คิดว่ามีความสะดวกระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ห่วงอะไรเหลือแต่เรื่องใจนะั่นเอทีนี้เขาก็ทำเรื่องใจนะทำเรื่องใจเมื่อเล่านี่แหละเอา้าคนนี้เริ่มผิวพรรณเริ่มผ่องใสเริ่มไม่เป็นโรคแนละ้วเริ่มผ่านนิวร นี่วัเนี่ยเป็นโรคแบบหนึ่งนะความหง่วงความเง้ความคิดความฟุ้งซ่านมันเป็นโรคเราติดโรค เ, เราไปรักษาไปหาหมอมารักษาโรคมันหายไหมหรือยังเป็นโรคอยู่ยังหง่วงยังเ ง, า ง, ง, ง, ง้ายัยงเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเนอเเเเเเเเรเเเเเเเเเเเเก็ไม่เเเเเเเเเเเเเอเเเเเเเเเเเเเเเเมเเนเเเนเเเเเเเเเเเเเเเเเเเยเเเเเ เวลาหมอเข้าไมา่นี้ใส่นึกว่าหมอเขาง่เหรือเขาไม่งงนะหมอคือหมอแะ้วเขาก็ดูออกแั้นเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัตรงนั่นตรงนี้สังเกตโอ้คนนี้ผ่องใสเนาะคนนี้อารมณ์ดีนะคนนี้สงบนะสงัดนะนั่นหมายถึงว่าคนนี้รวยมาได้ศรัทธามาเต็มที่ได้ศีลได้สติได้สมาธิไอ้ศีลสมาธิปัญญาญาณพริเวณที่สูงขึ้นไปก็เหมือน เขามีเพชรยินจินดาขึนไปไม่ใช่เขารวยอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่เงินแต่ทองอย่างเดียวนะคือมันร่ํารวยขึ้นทนะรัพย์สมบัติเขามากขึ้นเมื่อมีเงินมีแต่เศียรมีแต่อะไรไต่างดาตอนี้เร่ำ ม, มีทองมีเพชรขึไป ม, มีสมาธิมีปัญญาแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ้นจากโรคภยัยแค่เฉพา ร, รักษาตัวเองห้ยป่วยก็เหมือนกับเรามีปัญญาแนละ้วมันทําให้เกิดหลุด พ้นออกจากความคิดความปรุงแต่งหลุดพ้นออกจากความวุ่นความเงาความอะไรจิตผ่ อ, องใสอืความพ้นทุกข์มันปรากฏเกิดคือมันมีแววเห็นที่เราจมอยู่กับอารมณ์และอดเด็ดอร่อยจมพินตายไม่ได้อะไรมาคิดดูนะเนี่ยมันอีกไม่กี่เดือนออกพรรษาแล้วอืถ้าเป็นนกก็ยังติดตาไขา่บินหนีไม่ได้เดี๋ยวในพานก็มาจับกินะ คนงงเห่าคนคิดความปรุงแต่งเนะีโอ้คิดถึงแต่เวลาอยู่เวลาสึกท่านเองไม่มีอะไรนอกเงื่อนไขอันนั้นนะเพราะอยู่ไปก็ทุกทรมานเพราะไ ม, ม่สามารถบินกระพือปีกออกได้กับพี่ปีกพี่จะบินบินให้พ้นคือบ่วงหรือพ้นตาข่ายของในพานเนี่ยมันบินไปไม่ได้อติดกระพือที่ไรเราหลับทุกทีง่วงทุกทีอะไรลงสนามเพื่อจะบินจะฝึกจะปรือมมันไปไม่ได้ ต้องโกงส่งพัฒนาใหม่ให้มันมีความเข้มแข็งคนที่คิดมากก็จะง่วงมากคนคิดมากนะคือคนง่วงมากนะแล้วสังเกต ด, ดูคนที่ออกมาในนั่งสักพักเดี๋ยหลับแล้วหลับแล้วนะคือคนคิดมากคิดมากแล้วสมองมันไม่ได้พักผ่อนเราเดินจุกมุมเราเลยรบ้านะมันอยู่กับความคิดไม่มีความเพียร พอให้ตื่นในตื่นไม่ได้พอให้หลับหลับได้จิตมันไม่มีกําลังพอสมาธิไม่พร้อมก็ง่ว ง, ก, งก็เงาก็เบื่อกระนายมีหมดอ่ะนั้นความง่วงนี่มันสามารถสื่อความหมายได้เยอะแยะมากนะเป็นเรื่องของคนราคะกล้าต่างหากอารมณ์กามอารมณ์อะไรต่างเนี่ยจะมากสําหรับคนที่ง่วงมากติดหลับติดนอนวันเนี่ยมันไม่รอดนะ เพราะอะไเพราะว่ามันรู้สึก่เป็นคนที่ไม่เคยต่อสู้กับอารมณ์อะไรเลยขนาดไม่ต่อสู้กับความง่วงถ้าหลับอยู่เรื่อยๆเนี่ยอย่าไปหวังว่าจะต่อสู้กับอารมณ์กลามอารมณ์ราคะเป็นเพราะว่าอารมณ์ตื้นๆเข้งง่วงเนี่ยเรายังเอาไม่รอดละอารมณ์อื่นๆเนี่ยยังไม่ได้แตะมันเลยเพราะว่าผ่านตัวนี้ไม่ได้ตัวข้างในมันก็ไม่ทํางานเหมือนกับเราฆ่าจจรลูกน้องมันไม่ได้โอ้ยหัวหน้าเขาไม่เปิดเผยตัวออกมาหรอกเราไม่รู้จักเขาหรอก เป็นไว้แต่เออตัวนี้ค่าได้มันก็จะเริ่มสู้กับตัวนั้นได้ยินดีตั้หามานะทิฐิยังไกลตัวมานะตัวทิฐิเนี่ยยิ่งยากยากกว่าอย่างอื่นยากนะอะไรยากคิดว่าเรามีดีอ่ยากตัวที่เราคิดว่าเรามีดีเราดีกว่าคนอื่นเราเท่าเขา มือของเราเนี่ยที่พิษเราด้ว น, นี่ในความรู้สึกแบบนี้มันชอบปรากฏกับจิตเราแล้วก็ปรากฏกับจิตคนที่ที่มีดีมันถึงคิดว่ามันมันมีแล้วมันไปยึดมันคนที่ไม่มีนี่เขาก็ไม่คิดอะไรเท่าไหร่บางคนชอบสอนคนก็สอนจังดี ก็อ บ, บอกคนก็บอกชอบประชดประชันนิสัยเป็นยังมันจะเป็นแบบนั้น่ะแต่เราไม่รู้ทิฏฐิมานะเราเป็นยังไงมานทีก็ชอบบอกให้คนอย่าประมาทอย่าประมาทแต่ตัวเองก็ประมาทบางทีนี่คนที่ไม่ประมาทคืออะไรคือคนถึงที่สุดของทุกข์แล้วถ้าขยับลงมาก็เอาคนที่สิ้นขีตติหาแล้วก็คนที่อยากบองมากือดับโลภะขยับลงมากือดับโทสะ ขยับลวมาก็คือคนมีศีลสังวรขยับลงมาเรื่อยๆมีอินทรีย์สังวรคนรู้จักประมาณในการกินทั้งโลกแค่รู้ประมาณในการกินนะเขาก็อยู่ได้แบบสบายๆ ส, นะส่วนมากคนมีตังมีเงินมีทองก็เขาไม่ค่อยรู้ประมาณในการกินซื้อบรรยากาศอาหารการกินก็มีประมาณเนี้ยเขาจะจ่ายเพิ่มคนรวยเนี่ยซื้อบรรยากาศซื้อ ถ้าบริการซื้ออะไรเป็นอย่างนี้แต่ท้าคนไหนไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพเขาก็จะสุดโทรมทํำลายตัวเองมีเงินแต่ก็ทํำลายตัวเองเลยมันเป็นทุกข์คือใช้เงินไม่เป็นนั่นเองทําไม่ใช้ไม่เป็นเพราะสมาธิไม่พอสติไม่พอแล้วก็ไหลไปตามเขาว่าใช้ไม่เป็นคือก็ไหลไปตามตาหูัวใจลิ้นกายไปทำตันหานั้นการพัฒนาชีวิตก็ ได้ครึ่งหนึ่งเหมือนทางโลกนะพัฒนาได้ครึ่งหนึ่งครึ่งชีวิตนะ่ะอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้คนไปถามพระพุทธเจ้าว่าควรเคารพใครควรบูชาใครควรยกย่องสรรเสริญใครถ้าคนไหนที่ยกย่องสนรเสริญผู้อื่นนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าตัวเองไงสรรเสริญตัวเองยกย่องตัวเอง แสวงหาภูมิทําให้ปรากฏในตัวเองแต่คนไหนที่ชื่นชอบตัวเองนะมองเข้ามาตัวเองมีทิฏฐิมีมานะเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่แต่พุทธิเจ้าก็จะมองไปที่ข้างนอกคือพุทธิเจ้าจะไม่มองอะไรในสิ่งที่เป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นความพอใจเป็นความยึดติดคนไหนมองแบบนั้นคือมองเป็นข้างเดียว ตายแล้วเกิดไม่เพี้ยไม่ใช่ความคิดที่ไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ไม่ความคิดที่ไม่ใช่อันนี้ถูกไหมไม่ใช่พระอา น, นุ์นะบอกว่าขยันปฏิบัติจังอ่ะพระอานนุ์เนี่ยไปบอกหลวพ่อพระเจ้าว่าได้ธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่เรานะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติทำมันอยู่ที่เราอะไม่ใช่อยู่ที่ใครหลวพ่อพระเจ้าว่าไม่ใช่อะอยู่ที่กลยาณมิตร อยู่ที่ครูบาอาจารย์คือจะไม่ให้จิตเป็นตัวตนในส่วนใดส่วนหนึ่งเลยถ้าเรามองว่าเป็นตัวตนของเราท่านก็จะมองให้มองออกข้างนอกมั่งอยู่ที่กัลยาณมิตรถ้าเธอคิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเธอไม่เห็นอะไรยาณมิดรอยู่ในสายตาไม่ให้คุณค่ากับผู้อื่นเลยเพื่อจิตแบบนี้มันจะกลายเป็นจิตอัตตาเป็นจิตที่เป็นมานะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ท่านบอก กัลยาณามิตรจะเป็นครึ่งหนึ่งของปุณจันทร์กูบาอาจารย์เพื่อนเพื่อนเราพระเบียว์ไม่ใช่เป็นทั้งหมดของพรมเมชันเลยงั้นพอไม่มีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นแต่ตัวเองมากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พระอานนท์บรรลุธรรมได้ยากได้ชาเพราะมีความเชื่อตัวเองไม่คุณค่าให้คุณค่ากับกัลยาณามิตรทีนี้ปฏิบัติธรรมก็าลาบากไม่อยู่ที่ตัวเรานแหละไอ้หล่ะคนอยู่กับพระพุทธเจ้าหนีจากพระพุทธเจ้านะ ว่า อ, อยู่นี้ที่ไม่ค่อยได้เก็บอารมณ์อยู่กับพระพุทธเจ้ามีแต่อุปาตาอุปธรรมอะไรข้าพเจ้าคนลาพระพุทธ เ, เจ้าไปหาปฏิบัติทำส่วนตัวไปแล้วก็กลับมาพระเมีเขียพระอะไรนั่นไมหมายเขาว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าจะได้อะไรแล้วก็เราก็คิดว่าเป็นเพราะอันนั้นก็เลยหนีไปอยู่ที่อื่นพออยู่ที่อื่นไปแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดมาคิดว่าเราตัวเองทําผิดหรือบางทีผ่านอารมณ์ไม่ได้เลย อยู่พระพุทธเจ้าก็ยังดีหน่อยเอา้าอยู่กุฏิใกล้ท่านก็ยังดีหน่อยเนี่ยแต่พอผ่านไปไปอยู่ที่อื่นกลเป็นว่าปัญญามันไม่เกิดให้ลกลับมาหาพระพุทธเจ้าอีกก็ปฏิบัติเอา้ากลับเข้าใจคือถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าติดพระพุทธเจ้าทีเนี่ยเอาใจเอาใส่มากเหมือนพระมาลุงกะยะนะ่ะติดพระพุทธเจ้า พ่อุปถากอุปบทมเอาใจใส่ให้คุณค่าให้อะไรก็บพระพุทธเจ้ามาคพุทธเจ้าไหลหนีอันนี้ได้หนีเพื่อหาความพอดีอะไล่หนีอย่ามาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมาเห็นมาดีไปปฏิบรรัติทำไปเจริญสติหนีไปอยู่ไกลๆทาความเปลี่ยนไม่รับอีกละวไปมาไปฆ่าตัวเองตายใสีใจเห็นไหมคือยึดอะไรก็จะทุกข์เพราะอันนั้น ยึตัวนี้ก็ทุกพวกนี้ยึดแต่ขึ้ น, นทุกพวกอันนั้นทีนี้ยึดอะไรยึดเอาธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงธรรมะหมายถึงมรรคถึงผลธรรมะในเบื้องต้นก็หมายถึงระเบียบระเบียบนะระเบียบเบืบเบ้องต้นธรรมดาคนรู้ทัวไปเคารพ ร, ระเบียบแต่ไม่ได้เคารพกฎสัจะธรรมทีนี้ก็ได้ไประโยชน์นะก็ได้ไประโยชน์ก็อยู่ในระเบียบได้ระเบียบกับสังคมตราขึ้นมาก็อยู่กับสังคมได้ควรอย่างนั้นควรอย่างนี้นะ แต่จิตเนี่ยมมนยังมีความโลภความโกรธความหลงมีราคะทูตสะมันมันต้องวิ่งทีนี้ถ้าเขาไม่ถึงมันมันก็อีกละปัญหามันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงไหนก็ถึงตรงสติปัญญามันไม่มีมันรักษามไม่ได้มันก็ต้องคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้มันออกไปไกลเพราะมันยังไม่หมดพยศ ถ้ามันยังพย์อยู่เขาเรียกวันยังไม่นิพานามาพย์มามันไม่นิพานควายประย์เนี่ยมันไม่นิพานราคาก็ถูกขายแพงไม่ได้ไม่มีคุณไม่มีค่าเหมือนกันถ้าเราไม่มีคุณธรรมในตัวเองจิตมันก็พยศนะประย์เหมือนกับทรยพยศนี่เนี้ยมันพย์นะมันดิน่นมันกระเสือกกระสนดิ่นโดนตามที่มันรู้สึก มันเคยเป็นโรคอันนั้นมาก่อนโรคง่วงโรคเงาโรคปรุงแต่งโรคทิฏฐิมานี่วมาอยู่นี่มันก็เป็นโรคอันนั้นจิตมันไม่คลายออกให้มันไม่ถอนหนาตาถอนตัวตนมันเราก็เริ่มฝึกมันใหม่พัฒนามันใหม่นะสติสัมปญ ย, ยะเนี่ยทำให้มันดีขึ้นใหม่พัฒนาขึ้นใหม่ภูมิทําคุณธรรมวมันก็จะเริ่มโต ข, ๆๆ ข, ขึ้นโตขึ้นอดทนแค่ไหนอ่ะเอาอดทนขนาด น, นี้ มีศีลแค่ไหนศีลมันคงขนาด น, นี้สติสมาธิปัญญาเป็นไงอดทนได้แค่ไหนล่ะมันก็พัฒนาขึ้นดิคนพัฒนาคุณเอายิ่งทำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะรวมกันเป็นมักที่แข็งแกร่งมากๆแต่ถ้าความอดทนน้อยความแข็งแกร่งของสติปัญญาก็จะมีน้อยความอดทนอะไรจ่างเ น, นีมันน้อยทีนี้มักมันก็มักคือมองอย่างหนึ่งก็คือ เส้นทางมองอย่างหนึน่มักก็คือการเดินทางถ้ามันเข้มแข็งน้อยเี่ยมันก็ไปได้ใกล้ๆเส้นทางที่เราเดิน่ไปได้ใกล้ๆไปไกลไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีกําลังรถไม่มีกําลังสติไม่มีกําลังสมาธิใจเราเคยพูดนะฮะกลังใจไม่ค่อยมีวะไม่ค่อยมีกําลังใจแน่นอนเนะ่เดินทางเส้นเนี่ยในเบื้องต้นก็ต้องมีเวทนาเวทนาก็เป็นอุปสรรค เพะว่าถ้าเสวยเมื่อไหร่ทุกเมื่นั้นน่ะเวทนาเนี่ยสุขเวทนาก็ติดสุขทุกเวทนาก็ติดทุกรวมทั้งติดความเฉยเฉยก็เป็นอุทุกขมสัสสุนั้นเวทนาทั้งหลายจะพร้อมจะปรากฏกับกายและกับจิตจิตก็คือชอบใจไม่ชอบใจถ้าชอบใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจก็เป็นทุกเวทนาหรือเฉยเฉยติดความเฉยเฉยก็เป็นอุทุกขมัสสุข เฉยเนี่สูงนะความเฉยเฉยเนี่ยนู่นเขาเรียกว่าสูงขึ้นสูงเป็นเป็นเนญชาพิสังขารมันเป็นเวทนาแบบหนึง่งเฉยยิ่งกว่าต้องเป็นแข็งทื่อเข้าไปเลยอเ น, นชาพิสังขารคือสังขารคือความไม่หวั่นไหวอเ น, นชาแปลว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวคือนิ่งมากนิ่งไม่หวั่นไหวต่อ รูปตัวเวทนาต่อสัญญาตัวสังขารต่อ ว, วิญญาณเป็นฌานหรือว่าเป็นสมาธิมันออกไม่ได้มันติดมันไม่หวั่นไหวเลยมันติดคือสมาธิตัวแข็งนั่นเองเป็นเวทนาแบบหนึ่งแต่คนไม่รู้นะบางทีนั่งสมาธิเออถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดับเวทนาไม่ติสนใจเลยนั่งได้ น, นันน่นเเรียกว่าเป็นคนทํารวยมีคนเข้าใจสัจธรรม เป็นคนมีภูมิธรรมสูงที่ยิ่งไม่ใช่นะเป็นสังขารแบบนึงเป็นสังขารแ บ, บนเหมือนก็เรียกว่าอเนจยาพิสังขารสังขารคือสมาธิสังขารคือความไม่หวั่นไหวแต่ก่อนสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารความปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตแบบเหมือนแต่ น, นี้สมาธิมันปรุงแต่งจิตสูงมากสูงจนมันไม่หวั่นไหวแล้วพวกนี้นําไปสู่ความเป็นพรมลูกฟักที่ว่านะคือมีรูป แต่ไรเวทนาสัญญาสังขารความคิดความอ่านความปรุงความแต่งอะไรไม่มีเลยไม่มีความเจ็บความปวดความเมื่อยความอะไรเข้ามาในตัวเองแต่ออกจากสมาธิแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็ติดด้วยงุ่นยิดด้วยในคนมีสมาธิเอี่ยนไม่ลเปเห็นพระกรรมฐานฝึกสมาธิหรือคนปฏิบัติทำทำสมาธิแบบสมถะเยอะๆเนี่ยเขาจะเป็นคนโทสะสูงเพราะเขาข่มจิตเขาเยอะมากเวลาออกไปช่วไม่ได้ชอบหนี ไม่อ ย, อย่างอยู่กับผู้กับคนอย่างนู้นอย่างนี้นะคือมันชอบความสงบพอความสงบแต่มันยังไม่เกิดปัญญาเพราะไม่เกิดปัญญาก็เลือกเลือกวิถีอย่แล้วต้องอยู่แบบนี้ต้องเอาอันนี้นะต้องสงบแบบนี้แบบนั้นทําไม่ได้เหมือนนะี้ดังนั้นความเคารพตัวเองการบริหารสติปัญญาให้กับตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เรื่อยๆนะโดยอาศัย การฝึกจิตตามหลักของอริยมรรคเนี่ยนั่นคือการพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้องก็ไม่มีอะไรนะความเข้าใจง่ายๆก็คือหนึ่งพยายามถือศีลข้อวัดปฏิบัติฟัทงท่านพูดมีอะไรมั่งศีลเนี่ยสํารวมในพระปฏิโมกถ้าเป็นคละวาดก็สํารวมในศีลแปดเอาครบไหมครบมีศีลมีศรัทธามีศีล ตามลำดับนะแล้วก็สํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอประมาณอย่าแสสายอะไรให้มากนะักพวก ง, ว ง, ง่วงเนี่ยพอมันลืมตาขึ้นเตน่ละวันไปทันทนะีพอนั่งก็หลับแต่พอลืมตาขึ้นก็ติดอารมณ์อีกแล้วติดรักติดชังติดราคะกิตโทสักโอ้ยเมื่อไหร่ไม่จะหายสักทีมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์อยู่ในความปรุงความแต่งออกไม่เป็น ดี่บะผ่านตัวเปี น, นาตัวอะไรพวกนี้ได้ผ่านได้เดิมสำรวมบินซีละแล้วก็จะไปกินเยอะอย่าไปกินเยอะถ้ากินเยอะไปเดินจุกลมก็ไม่ได้อะนั่นคนง่วงคนเง่านี่ผิดมดทุกข้อเอาข้อไหนมาจับก็โง่ข้อไหนก็จับก็ผิดข้อไหนไม่จับก็มีแต่อวิชชาตัวนั้นอยู่ในตัวมันไม่รอดสักอันไหน กินก็ามากสำรวมกว็ไม่มีขี้เกียจก็ทั้งนั้นเนา ไ, ไม่ไปนามาหลังนะนี่เพียนคือเพียนระลึกรู้เนี่ยให้ได้เยอะๆจะนั่งระลึกรู้ก็ได้จะยืนระลึกรู้เพียนประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อคุณสทั้งหลายเข้ามาครอบงําจิตเนี่ยพอเราบางทีได้จต่รูปแบบทางด้านนอกทางด้านกายแต่ทั้งด้านจิตใจเนี่ยความเพียนมันแทบไม่มีเลยเราสังเกตฝืนเป็นไ ม, ไม่ไม่ฝืนะ นั่นเพียนเพียนคือเฝ้าดูล่ะเพียนสังเกตสิ่งที่เข้ามาเริ่มเข้ามาเนาะเห็นข้างในอ ะ, อะไรปรากฏกับจิตเราเราก็ดูให้มันเป็นถ้าดูไม่เป็นกะอ้าวเทศเรื่องม่วงเทศลงไปกูไม่สนใจอะ่ะมันยัง่วงกังง่วงแแม ม, มเป็นยังไงช่างมันอ่ะโอยมันก็ไม่เกิดปัญญากับเขาสักทีเด้ยนะฟังแบบเอาหูเอานาไปนาเอาต า, า, าไปไร่ มันต้องสังเกตต้องสับต้องเปลี่ยนเอออริยบทนั่งทานนั่นทางนี่ทําให้มันตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่เรื่อ ย, อยอมันก็ตื่นดิจิตเนี่ยถ้าเราทําเป็นเอาหน้าที่มีอะไรเนี่ยขณะที่มันนั่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรหนะ้าที่คือรักษาใจไม่ให้ง่ว ง, งนั่นเองรักษาตาเนี้งานเรานี่ยคืองานรักษาเหมือนยามเอาหน้าที่หลังจากนี้เนาะทําวัดเสร็จแล้วเนี่ยมารักษาตาเนอก็รักษาดิ มันก็มีอย่างเดียวหนึง่งความโกรธความโลภความยังไม่ได้รักษาเลยเขาให้รักษาไม่ให้ง่วงเฉยๆทำไงก็ได้นะถ้าจะเหลียวใจก็จะนึกออกแต่ถ้าไม่เป็นก็อ้าวยังว่าแล้วปฏิบัติที่ไรอะไรก็ได้อะไรที่ก้าวหน้าไม่มีเพราะอะเพราะติดเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยคือเวลาให้ใช้เงินเราใช้ไม่เป็นอืมยังออกมาเนี่ยให้ใช้เงินโชว์คุณธรรมดิผ่านตัวง่วงตัวเหง า, ต, งาตัวเบื่อเนี่ยทําเป็นไม่ ไม่เป็นต้องให้เขาดุด่าว่ากล่าวไปชดประชันแดกดันอะไประมาณเนี้ยมันถึงจะตื่นตัวอะไรประมาณเนี้เหมือนคือต้องไปอยู่กับเจ้านายอ่ะจะทาธุรกิจส่วนตัวร่ํารวยอะไรไม่ได้ต้องไปอยู่กับนายเจ้านายเขาเอาเงินฟาดบ้างเขาดุด่าบ้างทําโทษบ้างอะไรประมาณนั้นคอยควบคุมเลยเออหมือนเหมือนจะเดินไปได้นะก็แสดงว่าไม่มีคุณธรรมในตัวเองกลไกในตัวเองที่มันเป็นอัตโนมติมันไม่มีถ้ามีระบบ ไขาลานแล้วไขาลานก็ขยับทีหมดล้านก็หมดถ้ายังมีคนให้คุณให้โทษกูอยู่ยังว่าอยู่ยังประชดประชันดังเดกดันอยู่ก็เหมือนขยับเป็นเหมือนมีสติแต่พอหมดคุณธรรเมื่อกี้เขาไม่ใช้อยู่เอาจรหลับอีกแล้วด้วยวะง่วงอีกแล้วฟุง้งซ่านแล้วไหลทำอารมณ์อีกแล้วมันก็เลยไม่กลายเป็นปัญญาสักทีเมื่อกี้ความเคารพคารวะ ในบุคคลที่ควรเคารพคาระวะเราสังเกตดูนะคนปฏิบัติธรรมดีเข้มแข็งพัฒนาได้สูงเนี่ยความเคารพนับถือเนี่ยมันจะมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าในตัวบุคคลในธรรมในอะไรก็ทำคนนี้เคลื่อนไหวคนนี้เดินคนนี้นั่งคนนี้เข้าสถานที่ชุมชนบุคคลมันจะมีภูมิธรรมที่มันแสดงออกนะ เนื่งมีความเคารพมีความเคารพเคารพในสถานที่ในบุคคลในตัวในตในตในเรประงพวเนี้นอกจากสถานที่แล้วก็เป็นเรื่องอย่างอื่นความเคารพใช้ได้กับพ่อกับแม่กับพี่คือญาติผู้สูงกว่าเราโดยวัยวุฒิเนี่ยเราเคารพแต่นับถือเคารพนับถือเนี่ยเริ่มละญาติพี่น้อง เวลวเราเขียนยศหมายเราจะเขียนว่าด้วยความนับถือนับถือเคารพหมายถึงญาติพวกเนี้ยแต่นับถือนี่คือญาติผู้ใหญ่ขึ้นมาหรือเจ้านายประมาณไหนนับถือนับถือว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนับถือเป็นผู้มีความรู้นับถือว่าด้วยวัยวุฒโอ้ท่านเป็นผู้มีอายุเนาะสูงแก่สูงวัยมาแล้วในความเคารพไอ้ที่นับถือคนอายุสูงๆเยอะๆนี่เพราะอะไร พรอย่างน้อยคขาประคองชีวิตเป็นนะเขาไม่ตายซะในระหว่างเขารอดว่าได้ออื ừ ừ ừ เราเนี่ยอายุยังน้อยเพิ่งเกิดน่าจะเรียนรู้อะไรที่ยังน้อยกว่าคนเนี่ยคนที่ห้าสิบปีสามสิบปียี่สิบปีพวกเขาเยอะกว่าเราเนาะเราเพิ่งห้าปีสิบปีบประาณนี้ไปเคารพเขาเพราะว่าเคารพในฐานะที่เขาเรียนรู้ต่อสู้กับชีวิตหรือพัฒนาชีวิตอยู่กับเวทนาทั้งหลายทั้งปวงได้แบบ มันถึงทุกวันนี้ได้ไม่ธรรมดานะอาจจะด้วยพี่น้องอะไรกันาำนะมาช่วยบริหารปัจจัยสี่ความอยากความคิดอะไรต่างๆแต่เขาอยู่มาได้ปัจจุบันเนี้ยถือว่าดีละเราก็นับถือเขาอืนับถือทีนี้ถ้าพัฒ น, นาขึ้นไปอย่างสมณะพราหมณ์นักพรตนักบวชนะครูบาอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าอันนั้นเราไม่ได้นับถือละเนี่ยแต่มีทุกันนะมีความเคารพมีความนับถือ มีความศรัทธาแต่คุณธรรมมันจะเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่ามีความบูชาข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระริยาสาวกเวลาเราสวดเนี่ยเราไม่ได้ว่าเคารพอย่างยิ่งนะไม่ใช่นะข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งบูชาบูชาคือทําด้วยใจไม่ได้มีความหงุดหงิดความมึน ด, ดาดความเกลียดความชังอยู่ในตัว ถ้ามีความหงุดหงิดความเกลียดความชั่งอัตาตัวต้นไปมันจะเป็นแค่เคารพโชว ค, ค, ครู่ชคขนาดไหนเมื่อเราเคารพพระพุทธรูปเนี่ยก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรแล้วนะพระพุทธรูปเนี่ยท่านไม่ได้ว่าอะไรเราเป็นรูปของพระเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เชิงแสดงออกว่ญญาพุทธเป็นแบบนี้แน่แต่เราก็บูชายังเอาข้าวมาให้กินเนี่เราก็รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่กินข้าวแน่ๆพระพุทธรูปเนี่ยไม่กินแน่แน่ เอามาให้เนี่ยแต่เราไปเลือกอาหารประเภทที่ดีที่สุดนะไม้พระพุทธเจ้าไมา้พระพุทธรูปทานแล้วมาตั้งให้ยเฉยๆนะพระพุทธรูปเจ้าก็ไม่มีอะไรกลายเป็นแมวซะมากินกลายเป็นหมาซะมากินนะแต่เราคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเคารพไงคุณธรรมในความเคารพเนี่ยมันจะสูงเคารพเนี่ยก็คืออปปัมัญญาเนี่นแนะยแหละแต่เป็นบูชาบูชา บูชาจะบูชนีย์นังเอต ม, มังก์คารมรุตังไอตัวบูชามันว่าละบูชาคือหมายว่าฉันทําด้วยใจคุณจะตอบแทนฉันยังไงฉันไม่สนดังนั้นเนี่ยนะฉันจะไม่หวั่นไหวเมื่อไหลไปตามความคิดความอยากหรือพฤติกรรมที่เห็นด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยกายใจเอาพระรูรปอ ง, นงนะ์นี้นจะโมกแหว่งนะก็ช่างนะบูชาคือมันเชื่อสนิทใจละเอาพระพระทุทธรูปองนี้เขาเอาไม้ยิ้วทํานะเนี่ยก็ช่าง อันนี้ทองคำำําทํานะเนี่ยหนักเท่า น, นั้นเท่านี้กิโลแล้วค่อยช่างนะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะทีนี้เอาพระพุทธรูปองค์นั้นใหญ่โตนั้นนี่เล็กเนี่ยเท่ากันเคารพบพุทธรูปแบบนี้ยังไง เ, เด็กถ้ามันวาดออกมาปีหัวเหลมแหลมมั่งอะไรประมาณนี้มือเรียวๆขึ้นมาหน่อยสํารวมหน่อยท่าทางโอ้พระพุทธรูปนันเนี่ยเคารพเหมือนเดิมในกระดาษนั่นก็เคารพบนี่ก็เคารพบเคารพบูชา รบพเจ้าข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งชึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธรูปทั้งหลายตัวแทนสัญลักษณ์พระธรรมถ้าเป็นภาษาบาลีขึ้นมาสักน้อยเราถือว่าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้แล้วเรื่องเคารพละเริ่มง บ, นะบูชาลนะเห็นไหมเราเก่าวคาถาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไหว้กันดีนะ่ะอัตติอัตโนโนาโถเนี่ยอื อาทีตั้งนานว่าก็ไมยานาปฏิคังเขอนาคตังปารหาหเวปัญจกันดาเลนัสอภปปสัการณังกุศลสู่ปสัมพทาขึ้นมาเราจะเริ่มประนมมือละเน่ยเราบูชาบูชาสิ่งที่ท่านเคยใช้เคยเป็นเคยพระองคเคยสอนถ้าบูษาชาภาษาถ้าภาษาไปรุ่นไปรุ่นล่ะโอ้ยเราไม่ไม่ได้บูชาไม่ได้เคารพมันเป็นอีกแบบหนึ่ง เป็นคนละอันกันนะงนั้นคนปฏิบัติธรรมมีภูมธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นก็นการสแสดงออกในชีวิตเขามันจะเริ่มความเคารพเป็นคาระวะคาระวะเป็นบูชายความเคารพความนับถือคาระวะความบูชามันไปทํามระดับเหมือนกันคุณธรรมก็เหมือนกันกนะที่เรามีเอามีศรัทธามีศีลมีเหตุใดมีอัตตปะมีจาคะมีปัญญาการสแสดงออกทางกายว่าจาจิตเริ่มดีขึ้นน่ะ ไม่ใช่ผ่านแต่อารมณ์ตื้นๆอารมณ์ตื้นๆนี่ก็เข้าใจแล้วตัวนี้ถ้ามีคุณธรรสูงขึ้นมันก็ไปได้ไกลเหมือนพลังเจลวดนี่กําลังมันเรียกว่ายิงไปได้ไกลรถยนต์นี่มันมีเครื่องยนต์ครบมีน้ํามุกน้ํามั น, ม, นมีพลังเข้มแรงมันก็ไปได้ไกลเวลาขับเนี่ยมันไปไกลอ่ะบึ้ดตันทีถึงโน่นแล้วแต่รถอีแตนอีแท็กอะไรประมาณนี้ยมันก็ใกล้ๆนะจะไปกรุงเทพได้ไ ม, ไม่ได้ต้องเป็นรถเกง่งรถ ทัวรถบัสหเน่ยไปได้อันนั้นคุณภาพคนต่างกันเน่ะเป็นรถเหมือนกันไม่เหมือนกันสติเหมือนกันไหมเหมือนกันน่ะคนนี้ได้สติคนนี้ก็ตื่นคนนี้ก็รู้ตัวแต่้ความรู้ตัวเนี่ยไปได้ใกล้ๆะไปฝ่าแนว ล, ลมอะไรไม่ได้ติดแล้วดึงกระชากถอยกลับมันไปไม่ได้เหมือนกันเลยอ่ะมีเงินน้อยก็ไปได้น้อยไปไม่ไกล ถ้ามีเงินเยอะมีคุณธรรมเยอะอ้าวไปได้ไกลผ่านอารมณ์ได้หลากหลายสังโยชน์อาสวะทั้งหลายข้ามไปได้เรื่อยๆข้ามไปข้ามไปเพราะมันมีพลังไงพลังตัวตนไม่ไม่ค่อยมีมันก็เบาคนที่ไม่มีตัวตนเขาเรียบอาวุธหมดแล้วสามารถเดินเข้าไปได้อย่างเงี้ยไม่มีละไม่มีทิฐิไม่มีมานะราคาตันหะไลยอย่างไม่มีเพราะไม่มีก็เดินเข้าไปดินดินแดนสุขาวดีเมืองพนิพานได้ แต่ถ้าเขาตรวจสอบแล้วอาทิฐิก็มีมานะก็มียังถ่วงอยู่เอาเข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าไม่ได้เอาให้เลี้ยวซ้ายไปทางโน้นนะไปทางดินแดนสุดาวารสุดทาวารห้าอ้าวคุณติดอารมณ์แบบไหนอะไรยังไงเขากให้ไปทางโน้นนะไปทางสุดาวารอา้าวหรือไปอะไรเป็นดินแดนของอนาคามีสกทาคามีสุดาวันไปทางโน้นนะอย่ามาทางนี้นะทางนี้คุณยังปลดอาวุธไม่หมดตัวนั้นคุณก็ยังตัวนี้ก็ยังเหมือนกันนะ่ะ อาปฏิบัติทำเนี่ยอ้าวกลุ่มนี้ปฏิบัติเข้มกลุ่มนี้ปฏิบัติจริงจังกลุ่มนี้ไม่ง่วงไม่เงาอ้าวกลุ่มนี้ดัน ง, ง่วงดันเงาเนี่ยเต็มติดความคิดอยู่กับอดีตอยู่กับอะไรประมาณเนี่ยอยู่กับความเบื่อความเหน่อยโอ้แสดงว่าวพลังมันถ่วงเนยคุณจะเดินข้ามนนไไมันไปไม่ได้เติมไปไม่ได้นักนะมันถ่วงแสดงว่ายังมีราหุลราหุลเป็นถ่วงเป็นบ่วงคล้องใจอยู่ จะข้ามไปข้ามไปไม่ได้เพราะมันหนักยิ่งเมื่อยแล้วเท่าไหร่ยิ่งหนักนะเวลาเราปฏิบัติจเจริญสติเวลาเราต่อสู้กับกิเลสเยอะๆของสุดท้ายเมื่อเราวก็จะตายอ่นะแต่ในขณะเียกันกิเลสก็ใกล้ตายแต่ถ้าเราแขวนอารมณ์ใส่ใจเรามากตอนสุดท้ายเนี่ยผู้สวมีอะไรก็เป็นเรามากนะเป็นเรามาคุยกับโยมเมื่อวานเนะข้าปฏิบัติทำอยู่ที่บ้านชอบทำสมาธิ ทำสมถะมานานปรากฏว่าเขาว่าเขาจะฆ่าคนนะคือมันโกรธสูงมากโกรธจะฆ่านะคือมันติดความสงบแล้วก็เห็นความอารมณ์ฝ่ายตรงขํามันดจะยากไอ้ที่โกรธโกรธเพราะอะไรคนอยู่ที่ข้างห้องนะเด็กมวยรุ่นสองคนสามคนนะคนนี้ก็จะหลับจะนอนคนนี้ก็จะนั่งสมาธิปฏิบัติทำมาคนละขั่วกันเลยเขาเล่นแต่ดนตรีบึ้งบมบ ม, บม เขาว่าจไปซื้อน้ำมันมาราดลาดบ้านหลังเนี้ยเขาเช่าอยู่ข้างนั้นนะคนละห้องน่ะแต่เขาลาดแล้วเขาก็ไฟจุดเผาแม่มันเลยทั้งคนทั้งเลยไม่มีโอกาสพวกเล่นดนตรีโผลลงมาได้คือคิดทันทีนั่นคือเผาแม่มนันนะท่านเราไม่รู้นะเหตุการณ์อันหนึ่งเนี่นยน้อยคนหนึ่งก็ผ่านได้แค่ช่างวันเถิดสนไม่สนใจแต่อีกคนหนึ่งรู้สึกอึดดั่นมันอึดดัดนอึดดั่นว่าเขาไม่ให้ความเคารพไม่ให้เกียรติ ไม่รู้จักกาชเทศสัมไม่รู้อะไรควรไม่ควรที่เขายิงกันตายฆ่ากันตายตามนั้นตอนนี้เพราะเรื่องแบบนี้นะั่นคือจิตมันไม่มีพลังที่จะออกไปได้แต่ทั้งโลกก็เห็นว่าเอออันนี้ไม่เหมาะสมเนาะเอาย้ายไปอยู่ที่อื่นเีในโน่นในนี้อะไรประมาณนี้แต่นี้สังเกตมึงไม่ให้ความเคารพขุงมึงก็อยอยู่เลยประมันไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยคือจิตมันจะหลงติดอารมณนะ์มันออกไม่ได้ถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะแต่ ข, ขั้นสมมุตินะนะคุณสามารถหรือเลือก วิธีการเกี่ยวข้องกับพวกนี้ได้มากมายหลากหลายแต่เราก็ไม่เลือกนะมันติดแล้วมันก็ติดเลยนะติดโกรธโกรธเลยอ่ะมีอย่างเดียวคือฆ่าเทน้ำมันลาดเผาไม่ใมัทั้งตึกเลยนะอย่างนี้นกูก็อยู่แค่คกนนุกเงินเ่งไม่มีอะไรนะไปอยู่คกุกสงบนะคือมันคิดอะไรก็ไม่ติดทางนั้นนะแต่พวกนั้นสิจะตายเอ่มันมีเงินไม่มีทองก็ไม่ต้องใช้หนี้เขา ไม่ต้องใช้เผามันแล้วแล้วแต่มันจะเป็นค่ารถล่กสซ่ลงโซ่รถดูแล ร, รักษาอะไรประมาณนี้ไม่ต้องคิดละกูไม่มีเงินอนะ่ะกูจะเข้าคุกเอาจบคือจบแรกอ แ, แต่คนมันก็ไม่รู้นะะคนไม่รู้ว่าคนเนี่ยมันทนคุณธรรมในตัวเองเนี่ยมันต่างกันแล้วแต่จะทําจะเป็นมันก็ยากล่ะสุดท้ายคือแต่ตายฝีเนี่ยนั้นบางทีเราอาจจะมีวาระ ภาระแบบนั้นช่วงในช่วงหนึ่งจิตเราเนี่ยติดอารมณ์ทาไงอ่ะเราจึงจะมีคุณธรรมสามารถข้ามอารมณ์นี้ได้ฤดูฝนก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนคนนี้ดูดูหนาวก็ไม่มีสำหรับคนคนนี้ฤดูร้อนก็อยู่ได้คือเขามองเห็นว่าดูดูน้อนหนาวฝนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติโอ้ธรรมชาติเนี่ยแต่มบางคนเริ่มทุกข์กับมันล่ะคนที่เริ่มมีธุรกิจเริ่มมีอัตราส่วนฝนไม่ตกต้องตามดูการเช้าเลยเช้านาเริ่มเล่นการพนันกับธรรมชาติล่ะ มันโง่ติดกันความรู้สึกอันนี้มากขึ้นเวลาฝนไม่ตกก็เริ่มแล้ะเริ่มมองว่าเทวดาธรรมชาติมีตัวตนเริ่มเอาแมวมาแห่และเริ่มตีแมวตีโ น, โน่นตีนี้นํำลาดน้ดํารดอะไรมันร้องมันเนื้อนะเริ่มมีปัญหาแล้วไม่ลงมาแล้วฝนมึงไม่เอาลงมากูยิงบ้างไฟขึ้นไปอะไรประมาณนั้นเห็นไหมนะมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่ทนต่อ ว, วิถีธรรมะพราพิณีวัฒนทรรมหลังหลก็เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเพื่อคลายความทุกข์ให้กับจิตตัวเองตัวเองเป็นทุกข์ไม่รู้พระพุทธเจ้าเลยว่าทุกข์เนี่ยต้องไปดูสมุทยัยเหตุมันคืออะไรแต่ทางโลกก็คือจะมองอะไรที่มันตื้นตื้นอ่ามันได้มีฝนมีฟ้าทำแบบนู้นไปนี่ไปนักธรณีวิทยาเขาโอ้ไปเจาะดามประดานดีกว่าวะ่ะุขคนไม่ใช่ได้ไม่ได้เงินเงานางเมียวได้ไม่ได้แต่ตามภาษา พอพีนี้วัฒ น, ธ, นธรรมอะไรที่มันไม่ดีเราคิดว่ามันสวยงามหรือบางทีเนี่ยรู้ว่าเอออันนี้มันงมงายนะเป็นอย่างงน้เนี่ยทิ้งไปเลิกเอาหม่วัฒ น, ธ, นธรรมมันไม่ใช่สัจธรรมเปลี่ยนแปลงได้แต่เราก็ไม่เปลี่ยนเนื่อนกันเลยอ่ะคนที่ไม่มีสัญญาไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มีการที่จะพัฒนาไปได้เป็นความเคารพนับถือคารวะบูชาเนีมน่มันขึ้นไม่ได้ อืมเราสังเกตดูดีเราให้ทานอะไรเราอะไรก็ตามเราจะมีความคิดนะเอาไปใช้อะไรทําไมอย่างไงมีคุณค่าไหมมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าไปทันทีเลยนะจิตเนี่ยนั้นก็ทําให้เราติดอารมณ์อีกละ่ะทีเนี้ยออถ้าจะช่างมันเถอะเอาทานไปแล้วแมวจะกินจะอะไรก็ช่างมั น, นตั้งไว้ตรงนั้นน่ะคิดอะไรไหมว่าแมวจะกินสำหรับพระพุทธเจ้เาไอ้ช่างดันเถอะบูชาใจมัสบายเอาแล้วไป เหมือนกันนะทำกับคนเขาก็อยากให้ทำแบบนันแหละซึ่งมันต้องมีคุณธรรมสูงมันถึงทำได้ถ้าคุณธรรมไม่มีมก็ทำไม่ได้เดินจูงมูคณะเยอะเอาพอได้แต่เข า, าอยู่คนเดียวตายไม่ได้เดินพอได้แต่พอนั่งลงเมือ่อไหร่หลับมื่นั้นนะแสดงว่าคุณธรรมมันน้อยตื่นมันไม่มีพลังพอที่ลังที่จะผ่าฟันฝ่าอุปสรรค เวลาไปเจอปัญหาเขาบอว่าสติวัดได้เมื่อภัยมีมีภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยขณะที่ไม่มีภัยเราเดินอยู่คนเดียวสบายไม่มีอะไรแต่ภัยมันเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มง่วงเริ่มเงาเริ่มเบื่อเอาผ่านไหมสติรู้ได้ไหมว่าสติเข้มแข็งไม่เข้มแข็งเห็นหรือยังไม่เห็นอะเวลากระทบผัดสะที่ไรจมทุกทีโอ้มันไม่มีกําลังเนาะเนี่ยเรือไม่มีกําลังปล่อยลงไปในทะเลโอ้ตายพอดีเลยน้ำผัดน้ำเพ กระทบหน่อยลมมาหน่อยหลุดไปมอดไม่รู้หายไปในความตีลังกาไปหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันมันต้องเข้มแข็งนะไม่ใช่หมายเขาว่าส่วนมากกินข้าวแล้วง่วงแล้วภัไม่รอดแล้วตื่นมาก็เดินทุกข์ยองๆอย่างเี้ยเอาไม่พราะจะเกิดสติปัญญานะคุณจะวิ่งเรือได้อยู่ไหนอยู่แต่ในกระมังนะั่นเองนะในน้ําเรือที่ใส่ไว้ในกละมังแต่คุณจะวิ่งออกไปแม่น้ํามหุูหาสมุดสาครในทะเลมันทำไม่ได้ไม่ได้ แต่ชีวิตเราต้องเป็นแบบไหนนะอยู่กับรูปรถกินเสียงอยู่กับอัตตาตัวตนอยู่กับโ น, โน่นอยู่กับคนโน้นคนนี้อเนี่ยถ้ามันไม่เข้มแข็งพอไม่ได้มีตาก็ติดตามีรูปก็ติดรูปมีหูก็ติดเสียงจมูกก็ติดกินลิ้นก็ติดรถกายก็ติดสัมผัสใจติดแต่ความคิดติดแต่ธรรมรมมันไหมมันไม่มีกําลังไหนั่นต้องทําให้มีกําลังมีสติสัมปชัญญะที่ดีพอ เรไม่ต้องเรียกร้องหาปัญญานะถ้าทําได้กําลังมันมีคนมีกําลังเน้่เขาไปไปได้ดิกําลังเงินไปถึงอาวากาศตรงก็ได้จ้างไว้ได้ขึ้นดาวเทียมไปง่ายมียานมีอะไรให้ขี่คนก็ใคยๆแบบนั้นแต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไปไหนเราเขาภาคเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ได้เขาอยู่กับหมู่คณะอยู่กับหมู่คณะได้ปฏิบัติแต่ไม่หนีจากคุณธรรมพุ่มทาตัวเองเข้มแข็งไว้ะเข้มแข็งไว้ สติสัมปชัญญะดีมากเอา้าสักวันหนึ่งครูบาอาจารย์ก็จะเลือกเราเลือกเรานี่ยแหละโอ้คนนี้คุณธรรมดีนะให้ทํานั่นทํานี่นั้นก็ไม่ถูกเลือกซะทีเพราะไม่ถูกเลือกเดี๋ยวก็ตายมันไม่ได้โอกาสเพราะเราจริงๆก็คือตัวสร้างสร้างตัวตนของตัวเองสร้างสติสัมปชัญญะสร้างภูมิธรรมสร้างญาณปัญญาของตัวเองอถ้ามีปัญญาญาณได้เอา้าอยู่ได้ละ เริ่มทำงานเป็นไ <c oughs> ปนเดินจุกคมเป็นหมูโยมเลยไปคนนี้เดินก็ได้เพราะเขามีญาณนนเขาไม่มีปัญหาทำงานอะไรที่สูงขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยเขาเริ่มทำเป็นละคนนี้แต่คนหนึ่งพอให้อยู่กับมูมเขาคนนั้นกับคนโน้คนนี้เอาทำไม่ได้ใจมันทำไม่ได้สติมันไม่พอมไม่เข้มแข็งก็จะเริ่มงุญหจิตละเริ่มติดอารมณ์ละเพราะกำลังญาณเขาไม่พอ ปฏิบัติธรรมตอนนี้นก็ได้แต่ศรัทธาสติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่เกิดคนมีญาณ น, นี่หมายว่าไปไปเมืองสกลใี่หน่อยไปตอนนี้ไปธุระให้หน่อยเด้อโอ้ยสบายเขามีรถไงขี่ปลื้ดไปดี่เดียวถึงลนะมีญาณเหมือนกันปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนี้จะปฏิบัติเข้มแน่ฟันฝ่าความงงความเหงาเขาไม่กลัวแนละ้วเขามีญาณฟันฝ่าความคิดความปรุงแต่งนะวันนี้น อ, นอนเออสิบเจ็ดนาฬิกาสบายเพราะมันขี่รถไงเหมือนที่เขาขี่รถเล่นเนี่ยเขาสบาย แต่โทษขี่ไม่เป็นพัฒนาไม่ได้โอ้ยเอางีแล้วอูจฉรอดไม่เนี่ยเป็นอย่างโ น, น้นอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมนั้นต้องมองมองจบเข้ามาข้างในมองได้หลายอย่างมองทำภายนอกภายในทำในใจเราในบุคคลอื่นในอะไรประมาเนี่ยคุณทําอื่นมีสติมีสติแล้วสามารถ มีจิตอื่นที่จิตว่างเป็นหมาขคตะจิตปรากฏขึ้นไหมจิตมันใหญ่มันโตก็ไม่มีปิติมีสมาธิเนี่ยปรากฏขึ้นไหม ม, มีปัญญาวางความคิดเดีเร็วมากๆบางคนนี่ปฏิบัติทั้งเจวันเนี่ยอาจจะเกิดปัญญาวันสุดท้ายวางได้เร็ว ๆ, ๆ, ๆ, ๆวันสุดท้ายได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีเองบอกวันบางทีก็ห้านาทีสิบนาทีปัญญาคือปัญวาเห็นทุกตามความจริงและสามารถวางได้นั่นแหละถามว่ามันวางได้ไหม ถ้ามันวางไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีปัญญาก็ต้องทาให้มันมีปัญญาแล้วนะกราบพระ